ความหมายแง่ต่างๆของวิธีคิดแบบเป็นอยู่ในขณะปัจจุบันเหล่านี้จะมองเห็นได้จากพุทธพจน์ที่จะยกมาแสดงในที่นี้แม้แต่พุทธพจน์ที่ตรัสแนะนาไม่ให้ลำพึงหลังไม่เพ้อหวังอนาคตก็เป็นการตัดความรู้สึกฝ่ายนั้นออกไปโดยอยู่กับความตรหนักรู้ภาวะที่เป็นจริงในการทากิจหน้าที่ดังจะขอให้สังเกตจากบาลีที่ยกมาอ้างต่อไปนี้ ในพัตเทกรัตสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาพระาศาสดาตรัสว่าไม่พึงหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพอ้อหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นก็ล่วงเลยไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัด ซึ่งสิ่งที่เป็นปัจจุบันในกรณีนั้นๆอันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนครั้นรู้ชัดแล้วพึงบำเพ็ญสิ่งนั้นควรทําความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่ารู้ได้ว่าจะตายในวันพรุ่งกับพยามัตุราชแม่ทัพใหญ่นั้นไม่มีการผัดเพี้ยนได้เลยผู้ที่เป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่ซึมเศร้าทั้งคืนวันพระสันตมุนี ส่งเรียกขานว่าผู้มีแต่ละวันจเจริญดีอีกแห่งหนึ่งในอรัญยสูตรสังยุตตนิกายสขาตวัตก็มีพุทธพ์ว่าผู้ถึงธรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่เพอฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพันธ์จึงผ่องใสส่วนเราชนที่อ่อนปัญญา เฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาและห้อยหาสิ่งที่ล่วงแล้วจึงสูบซีดหม่นหมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนถึงขึ้นทิ้งไว้ที่ในกลางแดบพึงสังเกตการวางท่าทีของจิตใจเกี่ยวกับการเวลาในแง่ที่ไม่เป็นไปตามอำนาจตันหาตามบางหลีข้างต้นนี้แล้วเทียบกับการปฏิบัติต่ออนาคตด้วยปัญญา ที่ใช้บาเพ็ญกิจตามบาลีข้อต่อๆไปเริ่มตั้งแต่คำสอนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้านไปจนถึงการบาเพ็ญกิจของพระภิกษุและเริ่มแต่การบาเพ็ญกิจส่วนตัวไปจนถึงความรับผิดชอบต่อกิจการของส่วนรวมดังนี้ในปูจิมันทชาดกอสัตถะเทวดาได้กล่าวคาถานี้กับปูจิมนทเทวดาว่าพึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง พึงป้องกันภัยที่ยังไม่มาถึงที่รชนตรวจตราโรคทั้งสองเพราะคำหนึ่งภัยที่ยังไม่มาถึงในมหาศีละวชาดกพระเจ้าศีละวมหาราชได้กล่าวคาถานี้ว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปบัณฑิตไม่ควรทอแท้เราเห็นประจักษ์มากับตนเองเราปรารถนาอย่างใดก็ได้สมตามนั้น และในมหาปรินิพานสูตรที่นณิกายมหาวัคมีพระปัจชิมวาจาว่าเธอทั้งหลายจงยังกิจคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้สำเร็จด้วยความไม่ประมาทตัวอย่างการคำนึงอนาคตแล้วปฏิบัติตนเองของพระภิกษุในอนาคตาสูตรที่สองอังคุตระนิกายปัญจาการนิบาตมีปุทุพท์ว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยอนาคตหประการต่อไปนี้ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดียวเพื่อบรรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งหาประการคืออะไรได้แก่หนึ่งภิกษุในธรร ม, มวไม่ไหนนี้ พิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้เรายังหนุ่มยังเยาวมีผมดําสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นยามปฐมวัยแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชาราจะเข้าต้องกายนี้ได้ก็แลการที่คนแก่เท่าถูกชาราครอบงําแล้วจะมนัสิการคําสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายการที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัด ในราวป่าแดนไพรก็ไม่ใช่จะทำได้โดยง่ายอยากละนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราเร่งเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถอะเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้วแม้จะแก่เท่าลงก็จักเป็นอยู่ผาสุกสองอีกประการหนึ่ง ภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้เรามีอาภาษน้อยมีความเจ็บไข้น้อยประกอบด้วยแรงไฟเผาผลาญย่อยอาหารที่สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปพอดีเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความเจ็บไข้จะเข้าต้องกายนี้ได้ก็แลการที่คนเจ็บไข้ถูกความเจ็บไข้ครอบงำแล้ว จะมานาสิกาลคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายการที่จะเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็ไม่ใช่จะทําได้โดยง่ายอยากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุทำที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้ว แม้เจ็บไข้ก็จักเป็นอยู่ผาสุข 3. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้ข้าวยังดีบินทบาทหาได้ง่ายการยังชีพด้วยการอุ้มบาดเที่ยวไปก็ยังทำได้ง่ายแต่ก็จะมีคราวสมัยที่อาหารขาดแคลนข้าวไม่ดีหาบินทบาทได้ยาก การยังชีพด้วยการอุ้มบาตรเที่ยวไปไมิใช่ทำได้ง่ายพวกประชาชนในที่หาอาหารได้ยากก็จะอพยพไปยังถิ่นที่หาอาหารได้ง่ายวัดในถิ่นนั้นก็จะเป็นที่คับข้างจอแจก็เมื่อวัดคับข้างจอแจการที่จะมณสิการคำสอนของพระพุทธทั้งหลายย่อมไม่ใช่จะทำได้ง่ายการที่จะเข้าเสพอาศัยเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพร ก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิดเพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งเมื่อเรามีพร้อมแล้วแม้อาหารขาดแคลนก็จักเป็นอยู่ผาสุข 4. อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เวลานี้ประชาชนทั้งหลายพร้อมเพรียงร่วมบันเทิงไม่วิวาดกันเป็นเหมือนน้ำกับน้ำนมมองดูกันด้วยสายตารักไร่แต่ก็จะมีคราวสมัยที่เกิดมีภัยมีการก่อกำเริบในแดนดงชาวชนบทพากันขึ้นยานหนีแยกย้ายกันไปในเมื่อมีภัยประชาชนทั้งหลายย่อมอพยพไ ป, ปยังถิ่นที่ปลอดภัย วัดในถิ่นนั้นก็จะคับข้างจอแจก็เมื่อวัดคับข้างจอแจการที่จะมานาสิการคําสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมไม่ใช่จะทําได้ง่ายการที่จะเข้าเสพ อ, อาศัยเสยนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็ไม่ใช่จะทําได้ง่ายอยากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรเสียก่อนเถิด เพื่อจะได้มรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งมาเรามีพร้อมแล้วแม้เมื่อมีภัยก็จักเป็นอยู่ผาสุกหอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเวลานี้สงยังพร้อมเพรียงร่วมบันเทิงไม่วิวาทกันมีการสวดปฏิโมกข์ร่วมกันเป็นอยู่ภาสุแต่ก็จะมีคราวสมัยที่สงแตกแยกกัน ครั้เมื่อสงแตกแยกแล้วการที่จะมนักสิการคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายย่อมจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายการที่จะเข้าเสพอาศัยเสยนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายยากระนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจนั้นจะมาถึงเราจะเร่งเริ่มระดมความเพียรซะก่อนเถิด เพื่อจะได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุซึ่งมาเรามีพร้อมแล้วแม้สงแตกแยกกันก็จกเป็นอยู่พาสุกอีกสูตรหนึ่งก่อนหน้าคืออนาคตะสูตรที่หนึ่งมีพุทธพจน์ตรัสสอนภิกษุผู้อยู่ป่าว่าเมื่อมองเห็นอนาคตตะไผห้าประการควรจะเป็นอยู่โดยไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดี่ยวเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งทาที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งอนาคตภัยหประการนั้นคือภิกษุพิจารณาว่าตนเองอยู่ผู้เดียวในป่างูแมงป่องหรือตะขาบอาจขบกัดหรืออาจพลัดลื่นหกลม้มอาหารที่ฉันแล้วอาจเป็นพิษดีหรือเสษหะอาจกำเริบอาจเป็นโรคลมร้ายแรง อาจพบสัตว์ร้ายเช่นสิงห์เสือหมีอาจพบคนร้ายหรือพบอมนุษย์ร้ายแล้วถูกทำอันตรายอาจถึงแก่ความตายเพราะเหตุเหล่านั้นจึงจะต้องเริ่มระดมความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุในด้านการคิดเตรียมการเพื่อปกป้องคุ้มครองกิจการและประโยชน์สุขของส่วนรวมในการภายหน้าในอนาคตสูตรที่สัมคำพีเดียวกัน ก็มีพุทธพจน์ตรัสนับสนุนไว้เป็นตัวอย่างคล้ายๆกันเช่นภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยห้าประการเหล่านี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้ครันรู้ตระหนักล่วงหน้าแล้วพึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นอนาคตภัยห้าประการคืออะไร ได้แก่หนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจากเป็นผู้มิได้เจริญกายมิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้นทั้งที่ตนเองมิได้เจริญกายศีลจิตปัญญาจากให้อุปสมบทชนเหล่าอื่นและพวกเธอจากไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา แม้ชนเหล่านั้นก็จักเป็นผู้ไม่ได้เจริญกายไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาชนเหล่านั้นทั้งที่ตนเองไม่ได้เจริญกายศีลจิตปัญญาก็จักให้อุปสมบทชนเหล่าอื่นและจักไม่สามารถฝึกฝนชนเหล่านั้นในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา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 ไม่ได้เจริญจิตไม่ได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้นจักให้นิสัยจักเป็นอาจารย์ปกครองดูแลสั่งสอนฝึกอบรมแก่ชนเหล่าอื่นโดยนัยนี้แหลเพราะทาเลเลือนวินัยก็เลเรือนเพราะวินัยเลเรือนทำก็เลเรือน 3. อีกประการหนึ่งในอนาคตการ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 อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ได้เจริญกายไม่ได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาเธอเหล่านั้นครั้นเมื่อมีผู้กล่าวสูตรทั้งหลายที่เป็นตถาคตพาษิทลึกซึ้งมีอัถฐล้ำลึกเป็นโลกุตระเกี่ยวด้วยสุญญาตาจักไม่ตั้งใจฟังไม่เงี่ยโสดลงสดับ ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ไม่สำคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียนแต่ครั้นเมื่อเขากล่าวสู่ทั้งหลายที่กวีแต่งเป็นบทกวีมีอักขระปยัญชนะวิจิตเป็นเรื่องภายนอกเป็นสาวกภาสิทธจักตั้งใจฟังจักเงียโสโตรงสดับจักตั้งจิตเพื่อจะรู้และจักสำคัญเห็นธรรมเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งอันพึงเล่าเรียน โดยนัยนี้แหลเพราะทำรเลอะเลือนวินัยก็เลอะเลือนเพราะวินัยเลอะเลือนธรรมก็เลอะเลือนห้าอีกประการหนึ่งในอนาค ต, ตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้มิได้เจริญกายมิได้เจริญศีลมิได้เจริญจิตมิได้เจริญปัญญาภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระจักเป็นผู้มักมากย่อหย่อน เป็นผู้นำในทางเชิญแช่ทอดทุระในการอยู่สงัดไม่เริ่มระดมความเพียรเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งชุมชนผู้เกิดภายหลังจักถือตามอย่างภิกษุเทระเหล่านั้นและชุมชนแม้นั้นก็จักเป็นผู้มากๆย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางเชิญแช่ ทอดธุระในการอยู่สงัดไม่เริ่มระดมความเพียรโดยนัยนี้แหลเพราะทำเ ล, เลือนวินัยก็เ ล, เลือนเพราะวินัยเ ล, เลือนทำก็เ ล, เลือนภิกษุทั้งหลายนี้คืออนาคตภัยประการที่ห้าซึ่งยังไม่เกิดในบัดนี้จะเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าและครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยนั้นนอกจากนี้ในอนาคตสูตรที่สามคำพีเดียวกันยังตรัสอนาคตภัยเกี่ยวกับส่วนรวมไว้อีกหมวดหนึ่งความว่าภิกษุทั้งหลายอนาคตภัยห้าประการเหล่านี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้แต่จกเกิดขึ้นในการต่อไปเธอทั้งหลายพึงรู้ตระหนักล่วงหน้าไว้และครั้นรู้ตระหนักแล้ว พึงพยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้นอนาคตภัยหาประการคืออะไรได้แก่หนึ่งพิษุทั้งหลายในอนาคตการพิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบสวยชอบงามในเรื่องจีวรจักละเลิกการถือครองผ้าบางสุกุลจักละเลิกเสนาสนะอันสงัดในราวป่าแดนไพรจักมาอ้อกันอยู่ในหมู่บ้าน อำเภอและเมืองหลวงและจักประกอบการสแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่จีวรสองอีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจักเป็นผู้ชอบดีงามเรศอร่อยในยเรื่องอาหารบิณฑบาตจักมาออกันอยู่ในหมู่บ้านอำเภอและเมืองหลวง คอยแสวงหารสเลิศด้วยปลายลิ้นและจากประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆเพราะเห็นแก่อาหารบินทบาตสาอีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจากเป็นผู้ชอบโก้ชอบงามในเรื่องที่อยู่อาศัยและจากประกอบการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่เหมาะมีประการต่างๆ เพราะเห็นแก่ที่อยู่อาศัย4อีประการหนึ่งในอนาค ต, ตการภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยภิกษุณีนางสิคมานาและสามเณรทั้งหลายและเมื่อมีการคลุกคลีด้วยภิกษุณีนางสิคมานาและสามเณรทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจากประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่ยินดี หรือจากลาสิกขาเวียนกลับไปเป็นคฤหัต 5. อีกประการหนึ่งในอนาคตการภิกษุทั้งหลายจากเป็นผู้อยู่คลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลายและเมื่อมีการคลุกคลีด้วยคนวัดและสามเณรทั้งหลายก็เป็นอันหวังสิ่งนี้ได้คือเธอทั้งหลายจะเป็นอยู่ประกอบการบริโภคสิ่งของที่ทำการสั่งสมไว้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 เท่าที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่างพอเป็นเครื่องเทียบเพื่อช่วยให้แบ่งแยกได้ระหว่างความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของตัณหาที่เพอ้อฝันเลื่อนลอยผ่านเวลาและคุณภาพของจิตใจให้สูญเสียไปเปล่ากับความคิดถึงอดีตและอนาคตตามแนวทางของปัญญาที่เป็นเรื่องของกิจในปัจจุบันอันช่วยให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติช่วยให้การปฏิบัติในปัจจุบัน ถูกต้องได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลักการนี้จะกลับกลายเป็นการสนับสนุนให้มีการตระเตรียมและวางแผนกิจการล่วงหน้าดังตัวอย่างกิจการสำคัญของสงฆ์เช่นการสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะความคำนึงถึงอนาคตชนิดที่เชื่อมโยงถึงกิจที่จะกระทาในปัจจุบันได้โดยในยะดังกล่าวมาชนี้ สังคีติสูตรในพระไตรปิฎกก็เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าทรงปลารบอดีตคือการแตกแยกของนิครณภายหลังาศาสดาสิ้นชีพและทรงปรารบอนาคตคือการร้อยกรองธรรมววินัยเพื่อเป็นหลักช่วยมิให้ทรงภายหน้าแตกแยกกันข้อสรุปที่ดีที่สุดก็คือความหมายของสติที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองว่าระลึกกิจที่ธรำคำที่พูดแล้ว แม่นานได้